เสิ่งมากนะธรรมดาบ้านเศรษฐีก็คืคคนเะครื่องเร่วนการกินข้าวกันอะไรนะกินข้าวกันเวลาเช้านะเวลาเย็นนะเสียงเรียกกันกินข้าวนะคือเครื่องเรีนะ่งนเสียงสนั่นบ้านเศรษฐีนะไหนถึวันพระนะวันแปดค่ำ ม, มาสิบห้าค่ำเงียบเด็กนะขอประกอบเจมมาอยู่ในอู่นะแม่นะอื หไหโอน ะ, น, ะนั่นเดี๋ยวก็รักษาสิ้นแปดน ะ, ะบินริกาเศะถือในพระไกรัยไม่ดกท่านกาวนะัยวันวันแปดวันแปดคำ่ำวัทิพาค่ำเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระใหญ่หญตัวเศรษฐีรับรองในภรรยาหลกหลกห ล, า, ลานหลานของท่านสมาทานสนะิ้นแปดมา พวกกรรมกรนะธาตุชาตินะอธาตุชายชาติหญิงก่อสมาทานสิบแปดเด็กอยู่ในอู่นะอยู่ในผนะ้าอ้ อ, อ, าอมนะนะก่นอนจะรักษาสิบแปด น, นาไปกลายพิษบอกว่าเด็ ก, กนะเขาไม่กินข้าวนะนะเนะนะขาไม่กินข้าวเขาเอาน้าอ้อยแล้วก็น้า น้ำเพรืองหน้าปอนเด็กเฉพาะในวันพระนี่นันนะเพ็รกันมากในขั้งพุทธกาลในสมัยนี้นลยประการนะพระยาพิมพิสารธาบริยาเธอนะว่าการผ่าพระนครไม่เชื่เล่นนะกรุงราชสัขึหะเป็นมนเป็นมามนทนใหญ่เป็นกลงใหญ่ทีนะ ปรากฏในายพระกลายรปดกลุ่งเรืองมากในกรุงราชกหันะ <c oughs> ไม่ครบมัดทุกอย่างอนอกจากกรุงราชกหัไปแล้วนะ่ะเป็นเมืองที่สองที่สามเหมืองแอกนะ่ะกรุงราชกหัมันครบทั้งใสเชนเนะน็์น่ะนังไม่พระราชานะ พญาพิมพิสารอยู่ในทศพิตร า, จจาชธรรมเสะการมพระองค์ก็สำเร็จชรดามันนะเนี่พระองค์ไม่เสินหาเสินหาประทับในดวงจิตไม่กักมกุศลกัมมบทเสภประทับในกิจเพิ่มอีกทีนั้นว่าการผ่านพระนครโดยระเรียบร้อยเทียนะอริยเจ้านะเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแพ่นเดนปกครองในสมัยนั้นแล้วอิปการแม่ค้าก็มีสินพ่อค้าก็มีสินมม่มชาวนาก็มีสิ น, น, นชาวนาน้นสมัยนัน้นกัดสปะกับเมียนั่นเป็นชาวนาใหญ่ คนไถนาหรืออะไรเนี่ยนะนะกศปาไปกวดดูแม่ไอ้ไถมันง้างขึ้นนะนะมีสัตว์ตายนะมีสัตว์ตายไม่คือก็เดือนนะคือก็เดือนนะคี่ก็เดือนตายนะแมกะะ่กศปาเกิดสังเวชทีเดียวเราไม่ควรอยู่นะ คลองเคือหัดจะควรออกบวชเที่ยวเนี่ยธาตุกรรมกรไถนาเนี่ยมันคล้ายๆกับฆ่าสัตว์นะอ่าขี่กระดุงกระเดือนก็ตายไปนะจะอยู่ทำไมนะยโยก็เป็นบาปเปล่ปาๆเนี่ยเล่าให้ธาตุกรรมกรไถนาเนี่ยเมื่อไถแล้วสัตว์ก็ต้องตายเนี่ยแล้วออกบวช ด, ดีกว่าเราไม่รับบาปในตอนนี้ไม่ในพระรไกลบิณฑกพูดเช่นนั้น มแม่ค้าแม่ค้าอยู่ในเสถียร์นะแล้วนางสังขงให้ทานนะคนจนมาสื่อท่านนะสื่อขอสื่อท่านท่านให้เปล่าเพราะคนจนนะท่านเอามัง่งท่านเอาคนมีนะท่านเอาเต็มอักลานะท่านก็นั่นท่านไม่ขาดทนนั่น ท่านมีเงินมากนางสาขานะปรากฏเซอร์เครื่องประดับนะนับเป็นกดกดนะนั้นนางสาขานะเครื่องประดับนะนั้นะสร้างปราสาทไทพระองค์ประทรับเนะี่ยมาผมแทงกันมากมายที่นางสาขานะนี่ไม่ค้าในสมัยนะั้น พ่อค้าในสมัยนั้นบรนิกาศเศรษฐีสื่อที่เดินนะเอาเงินนะ เ, เงินเลี้ยงเลี้ยงที่ดินนะนั่นแม่ในสร้างปราสาทให้พระ อ, องค์ประทับนี่นี่านองค์ไหนก็สำเร็จโชดามันนั่นแต่ไม่รู้ว่าสำเร็จในตอนไหนนั่นนไม่เหมือนนางสขานางสขาไม่เนระกลายเป็นดอกว่านางสขานะ่ะสำเร็จอายุเจ็ปีนัน ไม่ในพระกลายเป็ดดกพูดเช่นนั้นแห่นานแห่นานกุ้งราชึงหาไม่ลักษณะถึงสี่อย่างอนอกนั้นไม่สามอย่างไม่กษัตริย์นี่อย่างพระเจ้าประเสริฐโกนกุงสวัสดิ์ในครัางนั้นไม่แม่น้าลำคลองนั้ น, นไม่เศรษฐินนี่แล้วก็ไม่นักปราดเที่ยวไปมาไม่ขาด ในกรุงสวัถีนะไม่เป็นเบอร์สามเป็นเป็นเบอร์สองเบอร์สามของกรุงราชสกหาในครั้งนั้นถ้าพระกลายไปดอกเบอร์นะึ่งขุงราชสกหาเนี่ยไม่แม่นามดนะ่าไม่เศรษฐีนะเศรษฐีกรุงราชสกหาเนี่ยกดสเศรษฐีเยี่ยมที่สุดนะพระย า, ศ า, ศ า, ศ า, สายเสงสารโซไม่ได้เศรษฐีคนนี้เรียกว่าชโชกติศนะี เห็นว่าพระเจ้าสัตรโรยังเป็นเด็ดอยู่นะพ่อจงแขนไปเยี่ยมเศรษฐีในครั้งนั้ น, นมาไปเห็นปร า, าสาทของเศรษฐีนะนั่นสมเด็จพ่อของเราทำด้วยไม้ น, ะ น, ะนะั่นมาเศรษฐีสกัเศรษฐีทำด้วยริดนั่นพระเอ็นมาบำรุงให้นะมาปลูกให้มนุษย์ทำไม่ได้นนะ มันไม่สมทา น, นะเศรษฐินะนั่นต้องอภัยอินมาพระอินใช่วิชนุกรรมมาทําให้นะเมืม่เอานะเห็นได้เอามนุษย์เอาสมโพธิเวบไม่ได้ไม่กลิ่นเหม็นนนะต้องเอาทเวบเออนะนั่นอุดรกรธธเทพวบุพพเทวเทวเทหะเทพมาไม่่ะพระยอดแทรบทรไห้นะ เช่นั้นนะสมเด็จพ่อของเราสรปเสรษฐีไม่ได้ไม่มนน้อยวาสนาน้อยนะปราศาสตร์นะของสมเด็จพ่อทำด้วยไม้นะั่นเศรษฐีทำด้วยเลสนะนะทำด้วยเลสเนะีนะ่ยนวิศว์วิศนุกรรมคนชายของพระอินมาทํำนะทาด้วยริดเนี่ยนะนะไม่ระพญาสตรอมะแหมเราเป็นพระราชาเราจะ รบเอาสมบัติอันนี้ของเศรษฐีให้ได้เลยนี่แหละพระเจ้าสัตโรนะนั่นความทรี่กว่าสัตโรสัตโรนะมันยังมีเชื่อนามนรกอยู่มี อ, ก, อกุศลกรรมบทสิบนะนั่นยักได้สมบัติของคนอื่นนะในในละแหละแล้วทีนี้นะนนะนนะพญาพิมิสารไปหาไปหาเศรษฐีในครั้งนั้นนะ ก้อยทาศีมลับนะพญาศิมาสารพลั่งไปว่าเข้าใจว่าเมียโสกเศรษฐีจับมือนะนะั่นเขาบอกว่าไม่ใช่เมีนะนนยนะี่คนใานะ้นะคนใช้นะเนีะแม่พระองค์ก็เผลอไปนะนะพญาพิมพสารนะนนัไปเห็นสมบัติของเศรษฐีนะไม่ไม่ใช่สมบัติมนุษย์นะีะมันสมบัติแทพมาบรรุงบรรดาล น, นะนะ่ไม่ล่ะ รรงรกเธก็หา ค, ราครงรกเธก็หากสกาัดเธถีเหมือนหนึ่งเนี่ยสมบัติโสคงรากเธก็หาไม่ได้นไม่แม่น้ำลำคลองนะไม่นักปลดัดองค์สมเด็จพระนาาพเมรุภาคกษัรไม่เสดถีนะ่ะไม่แม่น้ำ น, นะไม่นักปลดัด กุ้งถ้าก็าเม่แพทย์นะกุ ม, มารพัฒเบอร์หนึ่งเที่ยแน่เป็นบุตรของอภัยพญาอภัยหลกหลานของเป็นบุตรบนธรรมนะของพญาอาภัยนันไม่นะกุ ม, มารพัฒคนนี้เป็นแพทย์ที่สําคัญตัดพานะ ไปเรียนกุงอาไปเรียนนะตำราแพทย์ที่กรุงศิลานันนและทีนี้ยนะไม่เทบนะบรรลมบรรดาลให้กุมารพัฒนะ์ะเป็นยาแต่มาเป็นแพทย์วิเศษนะเป็นแพทย์วิเศษอย่างเด่นแนมะ้ระวางสำเร็จแล้วนะสำเร็จอวิชาแพทย์แล้วกลับมากรุงราชขะในข้างล่านนะมาสะเสถะระหวังหุ้นทางนะ กุมารพาดรักษาเศรษฐีบ้างรักษาพระราชาบ้างนะได้เงินถมถือเทียบนัน้ได้ผ้าถือสำคัญนะนั่น้าถือสำคัญนะคือมาจากทวีปอื่นถ้าไม่เปิดน่านนะตายนะเขาหอไปไว้ที่ป่าชานะ้าเนี่ยนั่นนกเอ็นไซนะเอามาน ะ, อะเอามา เอามาประอามาในสมผูเทเวมีบนะแล้วว่าท่นเนี่ย่านป่าได้ได้ได้ในป่าดึกนะนั่นเอามาให้พระราชาเนะี่ยพระราชาเนี่ป่วยมากนะนั่นไม่มีอะไรเสดนะ็จหลวงกุ ม, มาราพัฒนะ์เนเป็นแพทย์ที่วิเศษนะรักษ า, มม า, าพินะการชัดในครั้งนั้นนะหายเอาผ้าให้กุ ม, มาราพัฒนะ์เนีย กูมาละพัดเอาผ้ามาสบายองค์สําเร็จพระพเมิวภาคเดียวนะนั่นผ้านั้นนะท่านบอกว่าม้วนๆลงม้วนม้ ว, ม ว, มวน่ะป้อมนะมันคล้ายๆคล้ายกับมะคาป้อมนะนะั่นผืนออกใหญ่น่ะผ้าทิพย์น ะ, นะ่นไม่เหมือนผ้ามนุษย์นะอืผ้าทิพย์นั่นป้อมๆเข้ามามาเกร็งๆเข้ามาเหมือน รูคําปอมนะเล็กนะนี่บิดขึงล้วใหญ่ขึ่งเรียบกนี่นะของแปลกประหลาดเกิดในก้งราษฎร์ข้าะในข้างนั้นนะเมื่อภรยาที่ไปสารว่าการผ่านพระนครพระองค์ไม่เสินห้าเนเสินห้าเน่ไม่กุศลกรรมมาหมดเสริบประทับดวงจิตนะอืไม่นอกไม่ วัดน้มพระทายของพระ อ, องค์ไม่ออกไปนอกนอกมรนะน mm ั hmm. ่นเข้าได้มรรคในวงมรณะมรคโคมรคโคเส่งแปลงหุ้นทางของพระอาษีเจ้านะ mm hmm. นี่ยเย็กเดือกเย็นมากพ mm hmm. ระเจ้ามาะสนากุศนนะองค์ในนะยังไม่ได้สำเร็จโสดาบันเพราะเธอปรารถนาเป็นพุทธภ mm ูม hmm. ิ ยะงประกาศ้างหน้านะหกองนะสิบองนะกับพระเจ้าแม่กลาย น, นพระเจ้าแม่ตายหนึ่ง mm hmm. พยาพยามาณหนึ่ง mm hmm. ข้างลานาคือั่งป่าดิไลหนึ่งที mm ่ hmm. ประกาศ้างหน้านะ mm hmm. ที่พูดในใ น, ในพระไตรปิฎกนะ นาราเขเลนะพญ า, า, านมารนะแหมแห ม, แมองคนี้ไม่เขเล่นเท่านะนะสิบเิบหมื่นนะอายุพันอายุยืนกัดเซรุอนุตรสัมมาสัมพธญาณอนาคตนะอืพระเจ้าไปสนะก้อนสนนะพรางป่าเดลายเนี่ยนะเหมือนสมณะโคดมนะนะปัญญาปรมีนะแล้ว สี่ส่งขายนะนั่นแหมพยามาได้เก่งมากเาสเีย ว, ว ย, เยวนะชาที่สอดเยอะวิริยะบารมีนยนั่นาาพระเจ้าเปเสณนะโกศล น, นี่ช่างป่าเดลัยนี่นั่นแม้จะเรียกปัญญาบรารมีนะสี่สุสขายแสนมหากรสี่ส่สงขายแสนมหากรนะนี่ ในนะในนะฉันลายคนในก น, นาการจำศีลพ น, นะนในกุุงแทบนะสองคน ส, สองคนนะเจ้ากรมกับคนหญิงเลือกเทียน ะ, นะอาจจะมารองทุกหลายครั้งเทียให้ท่านจำศีลเปด น, น, น, นะบางครั้งเนี้ยอดไม่ได้ต้องจำศีล น, นะ น, ะ น, ะนะไม่เหมือนกับบริสานนะบริสานาสานับเป็นร้อยเทียนะมันน่าปลื้มใจนะนั่น เย็นอกเย็นใจในวัดนั่นคากันสบาทานสลนอุบาสกอุบาสิกานะกเคลื้นเนี่ยนะนั่นไม่พูดกันเหมือนคนกรุงเทพนะี่กรุงเทพวันมาค่ะนะวันพระนะอาวคุยกันนะมาทำนา้ำนา้ำทศบาลเรียงกันโอเอโอเออยู่เท่านันนั่ น, น, น ควยกันบ้างอะไรกรันบ้างอดหลับอดนอนกันบ้างอามันไม่เหมือนอุบาสิากาของอพระธุดงกรรมฐานในภาะอีสาเนี่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นนะแมน่าพากันทำความเพียร น, นะนมันคล้ายๆก็ได้สา์เฮียนๆ น, นะนไป วางไว้ในตน้นต้นไม้นะ่ะเดินชงกมลกนนง ม, ม, มกแล้วก็นั่งภาวนาเงียบน ะ, ะ, นะะนะแม่นั่นไม่ปฏิหารมากเล็นะพระเนี้ยก็มีปฏิหารแนนก็มีปฏิหารนะอุมาสกุลบสิกาเขามีปฏิหารนะเขาภาวนาแร่งคมเพียนนะแนนไม่คุยกันโอเอโอเอเนะเหมือนกับเมืองใหญ่เมืองใหญ่เนี้ย ไม่นอนนั่นมาคาวิสาขาเนี่ยฟังแท้ผสมรทระโพธิกันตลอดลงนะนั่นมันไกลกันมากนหในความรู้ความฉลาดในภาคดีสารกับในกรุงนะเ่มันไกลกันมากเขาฝึกหัดอย่างเก่งนะอย่างเริงจังนะ ภ, ภาคดีสารนะเกูมาอาจารย์มันนะบอกว่าอย่านอนนะวันนี้เนี่ยเป็นวันมาคะหรือวันวิสาขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนนั่น เขาก็ทำความเพียรนะเด็ดเดียวนะนะมาในนะแล้วแนละ้วเขาวัดทัานอาจารัดเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่พ่ออกน้อยพ่ออกน้อยนะอืมเขาเรียกกันในห้อยน้อยในห้อยน้อยนะอทําความเพียรทําความเพียรรู้จักหัวใจพระเนี่ยเธอคน น, นะนี้นะแล้วเธอเนี่ยญาพ่อคนแดง จำมันสารอาตมาอมที่บ้านกำนันอืกำนันนะนแต่ก่อนนะเขาเอากำนันแดงนะกำนันแดงแล้วที่มารวมทําุโบสถที่วัดผืนบันผืนนะพ่อน้อยนะแกะเดินตามถนนอ่ะแกะเดินตามกลางวัดเนะี่ยไม่เห็นพระยารณงอกอนนะ อาหลวงพ่อก่อนนะหลวงพ่อก่อนนะผมดูท่านนะนั่นขันอยากษศึกใช่ไหมนั่นหลวพ่อก้อนว่าทำํำไมมาพูดให้ให้ใ ห, ให้ให้อัตมาบัญญัติศึกนะ น, นมันเป็นอย่างงี้นะน่ะไอตัวของท่านนะ่ะไม่ใช่เป็นพระเนี่ยนั่นมันคล้ายๆเอาเจวานะห่มต่อน่ะนั่นผมเห็นด้วยวิธีนี้นะนั่นเวลาแกก็แกแ ก, แก็เห็นอย่างเช่นนะ่ะ บัมบชเชตในศีลไม่มีในจิตของแกเนี่ยนะนะอาตมานะลูกศิษย์ของอาตมาเนะยอาตมาโคด่าทีอ้าวพอพะ อ, อุ่นน้อยนะเจ้าหนะ้าเจ้าเป็นคนวิเศษยังไงนะไปติดเตนพระเนี่ยผิดพระไกรสนาคมนะนะแล้วพระเจ้าเจ้าไปเห็นยังไงนะเจ้าไปเห็นยังไงลไปดูถูกเขานะนะว่าพระเนะีนะ่ยผมเห็นอย่างนี้ครับนะ ผมเห็นนะพระหุ่มต่อนะพระองค์นี้ไม่ใช่พระ น, ะนะีะาา่นั่นพระกษากาสายพัดแม่นหนแม่ไปเป็นพระแม่แต่หน้าแต่คนนะไม่ไม่เป็นพระนีเป็นหุ่มต่อไปแลสดงนี่อ้านานไปนานนี่เขึกจริงๆซื่อยนะนั่นสึกจริงๆแนะี่มันหุ้มรู้จักพขาตับพระคนนั้นไตพระคนนั้นอุบาสกอุบาสิกาไม่ได <นะ S 1> นะ้แถมนั่นพระเดชไม่เดชเขารู้จักนะเข้าไปในวัดนะั่นะ อำนาจเขาเผานานะกิจเด็ดเดียวใจเขากลาหานเขามีญาน อ, อภิญญาณเนี่ยเป็นเครื่องวัดเทียวนะนั่นเครื่องวัดแล้วอาตจจมาก็เรียนเรียนอย่างแม่ขาวนะแม่ขาวดังทีนั่นแม่ขาวดังเศรษฐมันดีกว่าอาตมาเนี่ย น, นั่นแม่เขาจันทร์แม่นารีเนี่ยแม่อีกคนหนึ่งอยู่ อยู่เขาเรียกกับเมาเซอร์อยุบพลเชยงหว่างพลเชยงหว่างนั่นแหละมาเปรียวป่าเปรียวมากเหลเกินนะนั่นอาจจะมาส้มไม่ได้เขารู้จักกิจนี่นเขาอาจจะมาไปนะนนไปเขาอาจจะมาเขาไม่แจกว่าแม่ชีคนนี้เก่งนีเนี่ล้นนนนวนแกบ่งังอะไรบางสารพัดทุกอย่างเนี่ย การทันอาตมาเป็นพระอาวุโสนะในครั้งนั้นนะเกินไปนะจินพระทั้งหลายจินนำ้ำรุงน้ำร้อนกันไ ม, ไม่นานแม่ชีก็มานะแม่ชีมานะแม่ชีนะอาวุโสมแม่เขาจันนะแนะม่เขาจันทีนี้อาตมาจะถามนะีนะ่แม่แม่นะ พระองค์นี้เป็นไงนะอย่าให้ดูฉันพูดเลยงันญาณท่านกินมันท่านจินรู้เ้วท่านกันดาไม่เป็นไรนักอาจจะมารับรองในตอนนี้นะถามในนานเถนะแกบอกนะพระองค์นี้นะอือนอ่อนสมาธิออนทังปัญญาพระองค์นี้นะแต่ก็นั่งแต่ก็อยู่อยู่ได้ทุกวันนี่นะ อยู่ในอุเจะสมาธิแต่มาถึงอัมนาสมาธินะแต่แล้วก็อง์นั้นนะองค์นั่นนะนั่นถามไปถามไปนัถามไปถามไปนั่น <c oughs> องค์ตอนท้ายน่ะเหมือนกันเนี่ยเข้าคู่ต่ <c oughs> อเห็น <c oughs> ทีนี่แม่ขาวน่หนีไปหมดเนี่ยนา จ, จะมามาถามตจำดับเลย แม่ขาวเนะี่ยพูดถูกเปียยเปียกทุกองไปนี่ชี้ชี้ในหัวใจเลยพระนะจอจนะิตของท่านมันสบายอารมณ์อยู่นะนั่นธรรมะสูงสามกลางประการใดนะนะี่เขาบอกใหอาตมานะตกวันที่สองมานะเนีเ่ยแล้วอาตมาลุกหมดแล้วที่แม่บอกนะถามหมดกงนะแล้วที่ตัวอาตมานี่เป็นยังไงเขาเนะี่ยย้ายดูฉันพูดเลยนะท่านเป็นพระธทระเขนี่ย อ้าวเป็นพระเทระก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันเตี้ยนะนะจิตมันไม่เป็นเทระนะเทระแปลว่าตั้งมั่นนะนะมันบมมันนะมันเคลื่อนที่อยู่นะนนย่าอือฉันพูดเถอะมันอ้าวบังคับให้พูดตัวของท่านลหลวงปู่หลุยท่านแันหลุยหลวงปู่หลุยเขาไม่เอาอท่านไม่การเสียหายมาั่ง ไม่สมาธิไม่ไดีอยู่ะเป็นบางครั้งแต่ปัญญาไม่มีนะนั่นเวลานั้นท่านตกในตอนนั้นตอนนั้นท่านจะเกิอดอิบัติในตอนนั้นะลีกภิจุท่านนะมันเสวยมานหรือไม่วอนนะนั่น น, น, นั้นเป็นเปี้ยเท่นั้นตอนนั้นอาตมาเขาไปหาเธอนะแม้เธอก็ไม่ได้หลุดหลางทางปริยัตินะ พคตรดังสัน้นดังเซี่ยดีนะอืคล้ายๆก็พคตรที่สำเร็จแล้วเ น, ะนะี่ยนั่นอาตมาก็มาให้วาจาของแม่ทีตกลงไปอาตมาน็อตน็ไว้ทุกๆนะแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาในสู่ตัวนั่นนั่นแม่แม่ทียังดีกว่าเรานะนั่นเมื่ออาตมาก็พายเครื่ขิขานขึ้นภูเขาเดียวนั่นไม่เข้าไม่นะสําคัญมากที่สดแม่ทีนะนั่น แม่เชนะ่าพลช้างหวังองค์หนึ่งแม่เขาจันองค์หนึ่งแม่นาลีองค์หนึ่งแม่เขาแก้วยังมีชีวิตอยู่นะนะลูกศิษย์ท่านหมาบัวนะ่นะนี่อันนี้นะ่ะไม่มีอภิญญานเป็นแต่อ โ, โสกแต่ว่าความคุยธรรมปลาเปลี่ยนอยู่นะ่ะอภิญญานไม่มีไม่มีเหมือนนะ่ะแม่นาลีแม่แม่เขาจันทนะ์นะ่มนะี่แหละสาคัญมากที่สุดนะผู้หญิงผู้หญิงนะ่ะ ดูโทกไม่ได้นะนั่นอาตมาเนี่ยไปหาท่านเจนมันอยู่นําพวกขานะไปหาให้เจนมัน่นอาตมาต้องไปแวะเม่คีก็นันเลยก่อนแม่แม่นะนยาสามวันเนี่ยมีพระมามาไหมแม่มีนั่นในสามวันไปหรือเก็ดวันนะจะมาอีกองคหนึ่งส่งกิตมาแล้วนั้นมาหาท่านเจนมันแม่ลุงเลืองมากแล้วก็นเนี้ยนะนั่น แกแม่งใครทราบไม่ได้เหนมือืนแล้วก็พอดีนะถึงเกือนวันก็พอดีท่านเกิสิงมาเนะี่ยเปรี้ยเปียเป้ยเท่านะมมันสําคัญมนาะการทําความเพียร น, นะนั่นอืเรื่อางหัดอะพ่อน้อยพ่อน้อยนะมันก็ทําไมมันรู้จักหัวใจพระดีดีพระดีดไม่ดีเขารู้จักเนะี่ยอืยอมนะนะแล้วก็แม่แม่เขากางังแม่เขากังนี่เนะี่ยอืม แม่เขาคังท่านอาจารย์มั่นให้ภาวนาอาตมาก็พูด ก, กับท่านอาจารย์นะมั่นนะแม่แม่เขาคังมันคล้ายๆท่าแม่ท่านอาจารย์เนี่ยนะเหมือนกันกันกบแม่ท่านอาจารย์เนี่ยไงท่านเอาใจใส่เนี่ยขอนมาแม่เขาคังเถอะนะแม่เขาคังนะแฉฉลาดมากนะท่านอาจารย์แทศหรือพวกพระทั้งหลายนะแม่เขาคังไปหาท่านอาจารย์มั่นนะ แก่แก่ในมิตรเนยแก่ภาวนาเนีท่านอาจารย์มั่นนะมาท่านอาจารย์แท้ใครๆก็ฟังพากพากันฟังนะมันลึกซึ้งเหลือเกินนะนั่นมีพระตายอกเริงท่านอาจารย์เยี่ยมตายและท่านสอตายไปเกิดภมโลกหรืออะไรเนี่ยแม่เขากลั้งกลับมาอีกเยอะไม่ใช่เช่นนั้นนะเนี่ยท่านนั้จะตายอีกเพิ่มอีกองหนึ่งนะนะหรือฉันไปเยี่ยมแทวแถววโลกนะมันเห็นสององนะ มันไม่ใช่องเดียวนะนัะ่นท่านเนสอดายนะกลับมาท่านเจนยามตายเนะนียนั่สององเทวเทโลกนะี่ย้เข้ากังนะได้เข้ากังบวชยังแกกาลังเริ่มจะบวชแล้วนันั่นนั่นว่างนะั่ น, นไปเห็นนะ้าพระทังนะ้งนนะาท่านญาท่านนะ่ะไม่จะตายอีกองหนึ่งนะกันมาตายแล้วองหนึ่งท่งนะานสงนะอาจารย์สนะ มันอีกองค์หนึ่งใครทราบไม่ได้พอชะดีท่านจนยาตายเนะี่ยขึ้นไปยืนด้วยกันเนยะแในเที่ยวโลกนะนั่นไม่นะสาคัญมากที่สุดในภาคดิศานะั้นมันทําจริงนะนั่นมันรักษา อ, อุโบสถจริงๆทีด้วยนะนั่นรักษาสิ้นห้าเก่งๆทีด้วยนะนั่นม่ขอวัดปฏิบัติหน้าเรื่มใสามากที่สุดนะนั่นแล้เทนน่ครั้งพุทธกาลนั้น่นนนนนนะไอ้เด็กมันอยู่ในอูนะรักษาสิ้นสิ้น เส้นแปดนะเขาไม่ป้อนอาหารนะอาหารเขาเอาในตำราในพระไกรพโดกว่าม mm. ือสองเส้นอาหารของเด็กนะน้ำอ้อยแดงน้ำผึ้งแดงอืมป้อนเด็กนะนั่นแม้ว่าอืพวกเราเนี่ยอะไรนะอายุหกสิบปีแล้วจางสู้เด็กในอู่ไม่ได้อืไม่มีใครรักษาเส้นแปดนะนั่น ไอโอหกสิบปีเลหรือสี่สิบปีนะนั่นมันไกลถึงขนาดไหนนะนั่นอืมไอมความเกิดในต เ, เกิดในประเทศที่สมควรนะอไมื่อะคันใดก็ได้นะธรรมดานักปราชญ์นะเน็ตินได้นะ อ, อุบาสิกุบาสิกามหรืนอน้อมนึกถึงคุณพระลัดสลายนะมันมาเองพระนะมาเองนะมาเอง เก็ดเบิกบ้านมาเองนั่นอย่างท่านเจมันน่ะไม่นึกว่าท่านจะไปบันผือแน่น่ะคนบันผือนะเมเนใสไว้ในศาสนาเนี่ยจําเป็นให้อาจจะมามามาบันผือก่อนมาถางไว้ก่อนจะท่านเจมันจะมาทีหลังนะนั่นมันมาเองนั่นมันมาเองนั่นนี่แหละมันคล้ายๆกับว่าไอสัตว์ป่านะน ขันพระอยู่ที่ไหนพระธดองที่ไหนนะมันชอบไปน yeah Ins, mm. ั่นอีกเกงเนี iz, causa, ่ยไฟนั like ่นนึกอาจะมาไปอยู่นะจันจังหวัดจันอยู่นําคนหมอโลดนะอ้าคนหมอน่ะอาจจะมาอยู่ที่นี่นะบางทีสัตว์มันจะตายอีกนะนั่นอาจะมาต้องหนีนันอีกแกเงินไปอาศัยอยู่นะขอเด็กเขายิงนะเขาหามลงมาจากภูเขานะนั่นอาจจะมาอยู่ที่นี่นะอีกแกมันจะมาอีกนะนั่น มันจะตายตายด้วยกระสุนปืนนะนั่ น, ะน <ะ S 1> มันมาด้วยพมวิหารของพระนี่นั่นอแล้วอีกประการหนึ่งน่ะเขาไล่นะอืมไล่สมด์นั่นไล่สมด์สมด์มันวิ่งมันไล่มันนักเรียนนะหลายคนมันไล่นะนะ่ไล่แล้วก็ผ่านนะถือปืนหรือถือหน้าเก่งนะนั่นะยิงนะนั่นอาตมาอยู่ให้เหี้นะนะ มันวิ่งเข้ามาอาศัยพระมันวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ในใต้ใตถุใต้ถุนกุตินะ่ะนั่นมันเขากายไปแล้วมันจึงออกมาเนะ่นั่นมันสําคัญนะไอสัตว์เป็นฉันมันรู้เทีนะนั่นมันรู้ฮะถ้าพระปู่นะนั่นแต่ก่อนไม่เม้นั่นพระไปอยู่นั่นพระคูคคำดีไปอยะู่นั่นข้างนะมันมาอาศัยตั้งร้อยร้อยทีเนีน่ตั้งห้าสิบหรือร้อยนั่นเดี๋ยวนี้นะ่ะ มันมันยังหมดไปแล้วเขายิงเขายิงมันออกจากภูเขาในถ้าไปนะถ้าพระปู่ไปเขายิงมาตายบางตัวก็มาตายในถ้ำนะเป็นแคเงี้ยนี่แหละสาคัญนะพลาดก็คุ้นเคยแล้วเราต้องรักนะผมมีหารของพระนะนะมันไม่เบียดเบียนเลยมันเย็นเลยนั่นนี่แหละเราประวัติให้ฟังว่าอุบาทกนะ ท่านอาจารย์มันท่านจําันษานะ่ยบันผือนะพ่อน้อยพ่อน้อยนะนั่นแม่เขากังนะนั่ น, น, น<ม>ได้ประการหนึ่งนะมาถามถุกวัดท่านอาจารย์ฟันนะบันสมพรนะแหมคนจำํำศิลมากเนี่ยถ้ามา ป, ปูกก็มากเหมือนกันแต่ไม่มากสู้ท่านแกนฟันไม่ได้<ม>ท่านอาจารย์เศอบาคำเมียมากเหมือนกันแต่ไม่มาก เหมือนท่านแกนฟันท่านแกนฟันนั้นเก่งแน่นั่นเป็นนักปราที่สําคัญนั่นท่านอาจารย์มันป่วยที่มันผืออาศัยท่านแกนฟันนี่นอืมงเอิน่ะไม่มีฤทธิมิเดชท่านแกนฟันมีฤทธิ์มากเนี่ยเอาแพทย์อไปฉีดยาให้ท่านอาจารย์มันได้เลยแพทย์ในทหารนั่แนแก่กรมพลทหารกองพลคำหารกองพล ตำรวจกองพลอยู่ในเอากำมือของท่านอาจร์ฝันเท่า น, นั่นทำฐานกุดของท่านอาจารย์มันนะเขาเรียกเอาอะไรเอาเอาเอาฐ า, านนะนะั่นแ า, างฐานนะนะั่นแหละ